ขึ้นชื่อว่าสังขารมีทั้งสิ่งที่มีใจครองและสิ่งที่ไม่มีใจครองสิ่งที่มีใจครองเพาเพวกมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย <c oughs> รวมไปถึงสัตว์ละเอียดเลกเข้าไป จนถึงอะไรที่เป็นอันตรายกับพืชกับพันธุ์กับผักกับอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นกองสังขารเล็กๆหยับสูงขึ้นมากองสังขารใหญ่ๆมีวิญญาณครองแต่ขาดสติขาดปัญญาสัตว์เดรัิชานทั้งหลายทั้งปวงรวมมาถึงมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีวิญญาณครองเป็นสัตว์ชั้นสูง อ่าอ๋อหัวหน้ า, ากำลังจะถามถึงอยู่เนี่ยอะอืม <c oughs> อ่าเอานั่งฟังนั่งฟังสบายๆเริ่มเริ่มแรกไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรใช่ไหมอ่าไปเรื่อยๆอ่าไม่ต้องสมาทานศีลไม่ต้องอะไรละแล้วลก็ตอนท้ายๆเราเพดานเวลาเราเท่าไหร่ ถึงสองทุ่มประมาณอาใกล้จะถึงตอนนั้นเราก็มีเวลาคุยกันบ้างสนทนากันบ้างหากมีอะไรเป็นเรื่องพิเศษแปลกๆอะไรก็รีบรีบร บ, รบอกรียบร้ยกลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มพูดเรจะมีไหว้พระอะไรก่อนไหมถ้ามีก็เริ่มเลยเริ่มได้เลย เข้ามาด้วย เ, เริ่มต้นเราก็ปลาร็กถึงสังขารสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเราเรียกว่ากองสังขาร เราตั้งประเด็นมาที่กองสังขารเมร่อเราเจาะมาที่กองสังขารเนี่ยมันจะทำให้เรากระจายได้ทั้งส่วนยาได้ทั้งส่วนละเอียดเจาะลึกไปถึงแนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเรารวมไปถึงวิธีการดำเนินการที่จะจัดการยังไงกับเรื่องของสังขารเรื่องกองสังขาร เรื่องของกองสังขาร น, นั่นไม่ว่าจะเป็นสังขารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสังขาร ม, มนุษย์ไปโผล่ที่ไหนไปผด ท, ที่ไหนไปอุบัติที่ไหนสังขาโรโผล่ที่ไหนกองทุบโผล่ที่นั่นสังขารเกิดที่ไหนกองทุก์เกิดที่นั่นก้อนสังขารก้อนนึงหนึ่งก็คือก้อนทุ์เราดีๆนี่เองอไม่มีสังขาร ไม่มีก้อนทุกข์ไม่มีกองทุกข์ไม่มีก้อนทุกข์ไม่มีกองทุกข์ไม่มีกองสังขารไม่มีกองก้อนสังขารที่ไหนมีกองสังขารปรากฏที่นั่นมีกองทุกข์ปรากฏจะเป็นกองสังขารเล็กกองสังขารใหญ่เท่าไหร่ก็ตามมีลักษณะ สประการปรากฏมัยจะเป็นกองสังขารที่มีใจครองรวมทั้งกองสังขารที่ไม่มีใจครองอย่างพวกเรานี้เป็นกองสังขารที่มีใจครองครองอะไรครอง้าครองขันครองกายเฉพาะส่วนกายก็มีส่วนประกอบมากมายมหาศาลไม่ต้องว่าแค่สองสิ่งหรอก แต่สิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเป็นกองสังขารมาประกอบกันมารวมกันที่เป็นรูปธรรมของเราที่เป็นนามธรรมของเราก็คือใจจิต <c oughs> ใจนี่เป็นนามธรรมทำไมท่านจึงว่าเป็นนามธรรมเพราะไม่มีรูปมีแต่นามมีแต่ความรู้สึกคนเราทั้งคนนั้นประกอบไปด้วยรูปธรรม รูปประสังขารประกอบไปด้วยนามธรรมคือนามปสังขานทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมก็เป็นเหตุมาประกอบกันอีกทําให้เป็นกองมหาสังขานคือพวกเรามีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมมาประกอบกันมารวมกันรูปธรรมมีลักษณะสมประการปรากฏนามธรรมมีลักษณะสามประการปรากฏ พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาให้เราพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพื่ออะไรเพื่อสงบระงับดับกองสังขารกองสังขารเหล่านี้สงบระงับได้กองสังขารคือใจของเราสามารถสงบระงับได้การเข้าไปสงบระงับดับกองสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขอย่างยิ่ง แตสร้างภูปสสมุสุะสะโสขโหการเข้าไปสงบระงับดับกองสังขาร น, นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งสิ่งที่สงบระงับดับกองสังขารได้สิ่งนั้นเราพูดถึงพระจิตพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้า ความสามารถของพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกที่เป็นพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงพระบรมศาสดาที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชะล้างกองสังขารออกไปจากจิตออกไปจากพระจิตจนเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์นี้ตามหลักท่านไม่เรียกว่ากองสังขาร ท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารคือสิ่งที่ไม่มีส่วนสังขารเข้าไปปรุงเข้าไปประกอบคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นภาวะหนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดพระจิตหรือจิตที่บริสุทธิ์ของพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกเป็นจิตหนึ่งเดียวเป็นผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดประเสริฐกองสังขาร สิ่งใดที่ประจากษองสังขารสิ่งนั้นจะประจากกิริยาอาการสามอยา่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านชะล้างกองสังขารเหล่านี้ด้วยธรรมด้วยวิธีการที่นามาดาเนินนามาถึงนามาประพฤติตามนามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถแต่ไม่ได จับเสือมือเปล่าสร้างบุญญาบารมีมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้เป็นอสงไขยอสงไขยอสงไขยกับเนี้ยอสงไข่แปลว่า น, นับวันนับเวลาไม่ได้สีอาสองไขย8ปอสองไขย16อสองไขยแสนมหากับอันนี้คือการสร้างบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ กว่าจะเข้ามารู้จักวิธีการที่จะมาดำเนินการจัดการกับคอสังขารเหล่านี้ได้นี่คือบุญญาทิการของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความสามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปสงบระงับดับกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้จนเหลือแต่พระจิตหนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวจนเหลือแต่จิตหนึ่งเดียวคือพระสงฆ์สาวพระอริยะสาวก บริสุทธิ์อยู่หนึ่งเดียวสิ่งที่บริสุทธิ์นี้ยังดารงดารงตนอยู่ตามภาวะของตนของตนอยู่ในโลกของเรานี่แหละไม่ดับสูญไปจากโลกคือทั้งรูปประธรรมทั้งนามธรรมา ท, ที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เอาของใหม่ที่ไหนมาเกิดเอาของเก่าที่มีอยู่ในโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์ก็ตาม หาสับเปลี่ยนกันไปพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าจากจิต ด, ดวงเดียวนี่เอง <c oughs> พวกเราได้จิตคือผู้รู้มาด้วยกันคนละหนึ่งดวงเราไม่ต้องไปเรียกตามชื่อในอภิธรรมนะต่เรียกชื่อเราเรียกชื่อตามจิตคือความบริสุทธิ์คือคือความรู้สึกนึกคิดของจิตคือผู้รู้ของเราเนี่ยเราได้มาคนละหนึ่งดวง แต่จิตที่เราได้มาเนี่ใครให้เรามาไม่มีใครให้เรามาหากเรามาพัฒนามาด้วยตัวขก็ตัวเราเองการที่เราจะพัฒนาพบจ้าเป็นสัตว์เลี้ชานตัวเล็กตัวใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เลื้อยคลานจนถึงสัตว์ตัวเล็กๆจนเรามองไม่เห็นประเภทเชื่อโรกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันก็เป็นรุ่นแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแต่จิต คือผู้รู้ที่มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสับเปลี่ยนกันไปโดยพบด้วยภูมิการปเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จากมนุษย์เป็นสัตว์จากสัตว์เป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์จากสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมสับเปลี่ยนพบภูมิไปอยู่อย่างนี้เหตใหุใดๆบ้างที่ทําให้สับเปลี่ยนไปอย่างนี้ได้สิ่งเหล่านะั้น คือพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมที่เราจะพึงแสดงออกด้วยกายกายกรรมด้วยวาจาวจีกรรมด้วยใจมโนกรรมเพราะทุกกิริยาอาการที่เราแสดงอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่ประกอบมาจากกายจากวาจาจากใจของเราถ้ารัตกต่ำไปจากนี้ไป มีคุณสมบัติไม่พอที่จะมาบัตรเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานอาจจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความรู้เรียนสาภาวะเช่นอย่างพวกช้างพวกลิงอย่างนี้เป็นต้นสัตว์บางอย่างเนีรู้ภาษาสอนได้บ้างอะไรได้บ้างเช่นอย่างพวกแมวพวกสุนัขอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าอยู่ใกล้ใกล้เคียงกับมนุษย์จากนั้นก็ขยับเข้าไปเป็นสัตว์เลี้ยงชานตัวใหญ่เป็นควายเป็นวัวเป็น อะไรตัวเล็กๆกรจิ้งกระแตะกระรอกงูอะไรตัวอะไรสารพัดตามที่มันจะพิงเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นประเภทสัตว์ในไรฉ า, านสิ่งเหล่านี้ก็สับเปลี่ยนจากภาวะความเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์จากความเป็นสัตว์ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นอินไปเป็นพรหมตามพฤติกรรมของตนของตนเพราะพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาใคร่ครวนให้ดี พฤติกรรมที่เราจะพึงแสดงออกด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจถ้าเราสร้างลงไปแล้วพฤติกรรมที่กายก็ตกผลึกมาเป็นกายกรรมเราแสดงออกไปแล้วทางกิริยาวาจาตกผลึกมาเป็นวจีกรรมมาจากใจนั่นแหละซึ่งเป็นมโนกรรมใจของเราที่เป็นนามธรรมานั้นอุบัติขึ้นมาได้ยังไงอุบัติขึ้นมาได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่อย่างนี้พัฒนามายอย่างนี้ เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่กับการโพเรชั่นไหนเราทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงแสดงเบื้องต้นรงทรงว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะพึงเกิดขึ้นจากพบจากชาติทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้รงทรงชี้ไปที่อวิชชาอาวิชชาตามศักท่านใช้คํ า, าว่าอาวิชชาอวิชชาเกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ ด้วยเหตุที่เราทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจในเมื่อเราทำลงไปแล้วมันเป็นการสร้างเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงว่าตา ม, มาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้แหละเป็นตัวพลิกผันให้เราเนี่ยหมุนไปกับพบกับชาติพบต่ำบ้างพบสูงบ้างพบยาบ้างพบละเอียดบ้างไม่มีที่สุดแต่ที่จะพัฒนามาจนถึงพบชาติที่จะทาให้ผู้รู้ของเราบริสุทธิ์หมดจด โดยสิ้นเชิงได้นั้นจะต้องเป็นภพชาติที่มีบุญญาธีการเช่นอย่างมองเห็นทุกเห็นโทษในวันสะสมสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นสัตว์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตกต่ําไปจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์นิริญญานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกสิ่งนี้เป็นภพภูมิทั้งหลายทั้งปวงที่เราพึงเกิดขึ้นพึงมีขึ้นประจำพร้อมกับ จิตของเราคือผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราพัฒนามากับสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยคือกิเลสตัณหาอาสวะไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เรามาเกิดขึ้นมาด้วยกันปนเปื้อนมาด้วยกันไม่มีใครหยิบไม่มีใครสร้างไม่มีใครทําให้เราเราทําเราเองเราได้มาด้วยตัวของตัวเราเองมี่ทำให้เรารรรรรย้อนไปถึงภพชาติของเรา ภชาติของเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายการอบัติของรูปธรรมก็ตามของนามธรรมา ก, ก็ตามนั่นแหละเป็นกองสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่า ง, างเกิดขึ้นมาแล้วตรบาบใดที่เราชะเราล้างยังไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงจะต้องมีสั ญ, ญลักษณ์สามอย่างปรากฏคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เท่าเดิมไม่ได้พ ร, ระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกขงังทุกขงัง เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังเนี่ยไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้บรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมนุษย์มีความสามารถดัดแปลงได้เราดูหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาดัดแปลงมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่เรารู้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้พวกสื่อทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวนี้พัฒนามาจนถึงขั้นระดับคอมพิวเตอร์ะ computer, ระดับมือถืออะไรต่อะไรที่ละเอียดลึกเข้าไปเรดูเขาสามารถทําได้ระดับ G.P.S เราดู G.P.S เนี่ยนูน้นทำงานอยู่บนดาวเทียมเนี่ยทำให้เราไปนู่นไปนี่บอกเส้นทางบอกอะไรต่ออะไรได้หมดมนุษย์มีความสามารถดัดแปลงได้กระแสไฟฟ้าสามารถดัดแปลงจากดวงอาทิตย์มาเป็นกระแสไฟฟ้าให้ความสว่างได้ลมดัดแปลงมามีความร้อนดัดแปลงให้มีความเย็นกระแสน้ําดัดแปลงให้ขึ้นที่สูงปกติน้ําจะไหลลงที่ต่ํา มนุษย์มีความสามารถดัดแปลงให้ไหลขึ้นที่สูงได้สูงขึ้นดังขึ้นมนุษย์มีความสามารถดัดแปลงได้เทั้งนั้นแต่มนุษย์จนอับจนด้วยปัญญาที่จะมาดัดแปลงความแก่ความเจ็บและความตายความแก่ความเจ็บความตายก็คือลักษณะของอันนีจังทุกคั้งอนั้นตานั่นเองอมนุษย์ไม่มีความสามารถดัดแปลงได้เดี๋ยวนี้ความเกิด ถ้าเราจะบังคับได้ว่าความเกิดเราสามารถบังคับได้บังคับได้แค่ว่าให้เกิดหรือไม่ให้เกิดแค่นั้นเองนะแต่ตราบใดเรายังมีกิเลสเต็มแปรนในหัวใจของเราเราจะต้องไปเกิดไปเกิดเป็นสัตว์จะเกิดเป็นมนุษย์ระดับชั้นเลวชั้นกลางชั้นอัจฉริยะมนุษย์ก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของเรา แต่เราไม่สามารถจะดัดแปลงให้เขาอยู่เท่าเดิมได้โดยเหตุที่เราดัดแปลงให้อยู่เท่าเดิมไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนรู้ทรงเข้าใจท่านทรงตราตราทุกขังทุกขังคําว่าทุกขังพวกเราอาจจะรู้จักว่ารู้เจ็บรู้ปวดรู้ป่วยรู้ไข้แท้ที่จริงภาวะที่มันไม่อยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรเคยอยู่เท่าเดิมเลยอยู่สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมด และสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดรวมมาถึงตัวของเรารวมมาถึงจิตของเราทั้งหมดนี้เป็นกองสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราเห็นว่าทำไมจะไม่อยู่เท่าเดิมดูตึกหลังนี้ไม่เห็นไปไห น, นเราดูมาที่ร่างกายของเราไม่มีอยู่เท่าเดิมเราระลึกจากเดี๋ยวนี้ไปจนถึงย้อนไปย้อนไปพรกเราพวกเราคนละห้าสิบปี คนละหกปีห้ปีเราลึกย้อนไป40ปี30ปี20ปีหนึ่งวันสองวันที่เราคลอดออกมาจากแม่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วลึกย้อนเข้าไปลึย้อนก็ไปย้อนก็ไปลึกย้อนเข้าไปในท้องแม่ลุ่มไปถึงน้ําหยดน้ำหนึ่งหยดที่เกิดขึ้นจากธาตุของพ่อธาตุของแม่มาประอกอบกันในท้องแม่ จากนั้นมามาเป็นกองสังขารในท้องแม่จากกองสังขารนั้นอยู่เท่าเดิมไหมไม่เคย อ, อยู่เท่าเดิมจะพัฒนามาตามรูปแบบของการรบัติคือการกําเนิดเป็นมนุษย์เป็นมาเป็นน้ําล้างเลือดมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจากสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนสองมีขาสองพัฒนามา7เดือนแปเดือน9เดือนคอ่อดออกมาอยู่นอกท้องแม่ ไม่เคยไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมทั้งนั้นเลยเราพิจารณามาตรงนี้เราพิจารณามองดูให้เห็นเป็นเรื่องของกรรมฐานให้เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มาเกี่ยวข้องกับกองสังขารของเราพยายามดูไปให้สุดแล้วก็ดูมาให้เห็นพบชาติของเราเราจะได้สลดเกิดความสลดเกิดความสังเวชเราไม่สามารถจะดัดแปลงอะไรได้ทั้งนั้นเพียงแต่ชะลอยชะลอเท่านั้นเอง ชะลอไม่ให้แก่ชะลอไม่ให้เจ็บชะลอไม่ให้ตายแต่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตัดความแก่ตัดความเจ็บตัดความตายจากกองสังขารไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าพ้นจากภาวะความเป็นกองสังขารเหมือนอย่างพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์สาวกทั้งหลายหลุดออกไปจากกรงจักของกองสังขารจึงพ้นจาก ความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาพ้นได้ยังไงพ้นได้จากการชักล้างกองสังขารให้พ้นไปจากภาวะความเป็นกองสังขารกองสังขารรูปกับกองสังขารนา้ำกองสังขารรูปเรารู้อยู่ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟท่านพยายามแยกให้เราพิจารณาว่าเรานี้เป็นส่วนประกอบมาจากธาตุดินธาตุน้นนำธาตุลมธาตุไฟ ท่นแยกละเอียดเข้าไปอีกธาตุดินประกอบไปด้วยเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นต้นธาตุน้ําประกอบไปด้วยน้ําดีน้ํำเสลน้ําเหลืองน้ําเลือดเป็นต้นตลอดไปจนถึงน้ำโมูดเงียนี่ก็เป็นกองสังขารที่เป็นส่วนรูปประธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมคือจิตใจเป็นกองสังขารยังไงเป็นกองสังขารก็คือประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเราเรียกว่ากองสังขาร คือมีผู้รู้กับมีกิเลส ท, ที่อยู่ในผู้รู้กิเลสเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงมากับจิตของเราคือผู้รู้ของเราทั้งรูปประสังขารทั้งนามประสังขานไม่ได้เอาของใหม่ที่ไหนมาเกิดเอาของเก่าที่มีอยู่ในโลกมาเกิดเช่นอย่างดินน้ำลมไฟข้างในกายของเรามีดินน้ำลมไฟข้างนอกกายของเรามี แต่ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในกายของเราเนี้มาเกาะกลุ่มกันด้วยอานาจของกรรมกรรมทำให้สังขารเหล่านี้มาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นแท่งซึ่งเป็นรูปสังขารนามสังขารก็คือจิตคือผู้รู้กับกิเลสที่ปนเปื้อนมาด้วยคืออวิชชาตัณหาปานทานนั่นแหละมันปนเปื้อนมากับเราตามหลักท่านเรียกว่า อวิชชาตันหาอุปาทานอวิชชาตันหาอุปาทานเราพูดอย่างนี้มันพันไปถึงหลักปฏิจจสมุปบาท ค, คือสิ่งที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแก่กันและการเกิดขึ้นโดยที่ธรรมาไล่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารตราบใดอวิชชามันครอบงำหัวใจของเราสังขารมันส่งรามาแล้วสังขารใหม่ก็จะเพิ่มเกิดขึ้นโดยเฉพาะนามธรรมา อวิชชามันครอบจิตของเราทีไรเมื่อไรกองสังขารก็เกิดขึ้นอวิชชาครอบงาจิตใจของเราทีไรเมื่อไหร่สังขารก็เกิดขึ้นเราจะต้องพยายามทําการศึกษาพยายามชะล้างขัดเกลาจนกองจนกองสังขารเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ดไไดจริงหรือเราพยายามย้อนดูมาที่จิตของเราให้จิตของเราตื่นรู้โรอยู่กับผู้รู้หนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นวิชาสมถกรรมฐานวิชาวิปัสสนากรรมฐานจึงโปล่มาตรงนี้ที่บุทีเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราให้เราถือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องถือเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อชะเพื่อล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับจิตของเราชะล้างได้อย่างไรอวิชชาตัณหาอาวิชชาตัณหาอุ ป, ปาทาน อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดกองสังขารตราบใดอวิชชาครอบําจิตของเราทีไรเมื่อไร่กองสังขารใหม่ก็โผล่ขึ้นมากองสังขารใหม่ก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ตัณหาอุปาทานมันก็มาเกาะมากุมอยู่เรื่อยเราดูไปที่พลังในใจของเราคือพลังของความอยากความของความอยากนี่แหละคือพลังของตัณหา ปัญหาแปลว่าความดิ้นรนความเจริทยานของผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราก็คือใจของเรานั่นแหละใจของเราคือผู้รู้ของเราผู้รู้เราคือธาตุรู้ของเราธาตุรู้ธาตุรู้เอาอะไรมาเกิดธาตุรู้เป็นธาตุมีมาประจำมากับโลกเป็นสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกท่านเรียกว่าธาตุธาตุเป็นสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมีอยู่ประจำโลก เกิดหาเกิดมาปะปนกันมาและมีกองสังขารเกิดขึ้นจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจความไม่ฉลาดความไม่รอบรู้ท่านจึงว่าอวิชาชาอวิชชาแปลว่าความมืดบอดของจิตของเราความรู้รู้แบบมีสิ่งเคลือบสิ่งแฝงมาคือผู้ไม่รู้นั่นเองด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าถูกทําให้เราทําได้ทุกอย่างสารพัด ความรู้อยู่แต่รู้ไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าถูกนี่เองเป็นเหตุให้เราหลงทกำกรรมเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมจึงทําให้เรามีภพชาตาิสูงต่ําสูงต่ําสูงต่ําไม่มีจุดจบไม่มีที่จบมันพัฒนาตัวของมันเองไปเรื่อยที่เรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรวัฏสงสารเกริดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ มีวิญญาณคลองก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูไปที่เหตุเวลามันเกิดขึ้นมันก็โผล่ขึ้นมาหามันมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาันอยู่ในนั้นแหละตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะเสื่อมสลายหายไปสิ่งอื่นก็เช่นเดียวกันเป็นสัตว์ตัวเล็ ก, เ, ลกเป็นสัตว์เชื้อโรคเป็นสัตว์โตขึ้นมาหน่อยเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นช้างม้าวัวกว่ายี่นี้เป็นต้นก็เท่าบอกเกิดขึ้นตามอานาจเขา ของบุญของกรรมที่มีอยู่ภายในจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เปลี่ยนไปทายังไงเราจึงจะไม่เกิดขึ้นจะไม่ตั้งอยู่แล้วก็ไม่ดับไปท่านจึงให้เรามาเจริญมหาติเจริญมหาปัญญาให้เกิดความรู้เท่ารู้ทันเพื่อที่จะสงบระงับดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อันจะพิ่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราเสียงสดส ด, สดร้อน ท่านจึงให้เอาหลักสมถะมาเจริญการที่จิตของเราเป็นไปตามอํานาจของตัณหาตัณหามันพาจิตของเราดิ้นรนทะเยอทะยานไม่รู้จักจบไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมีวิธีการที่พระองค์จะมาศึกษามารู้มาใคร่ควรมาแยกแยะมาสอบมาสวนมาพิจารณาก่อนที่จะมาสอบสวนมาพิจารณาท่านพยายามศึกษาทําความสงบ ให้กับจิตของเราแทนที่จะเราจะมีความนึกคิดดิ้นรนไปตามตัณหาอันเป็นกองสังขารที่เป็นภายในจิตมันส่งเราปรุงเราแต่งเราเลืกเราคิดไปท่านให้เราปรุงสิ่งที่เป็นธรรมขึ้นมาสติธรรมสัมผชัญญาธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมท่านจึงมีการเจริญสมถะการเจริญสมถะเอาอะไรมาเจริญเอาสติธรรมเอาสัมผชสัญญาธรรมมากํากับที่จิตของเรา เช่นอย่างเราดําริคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นวิตกเป็นวิจารณขึ้นมาตั้งมาขึ้นมาที่จิตของเราเอาสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของใจที่มีคุณสมบัติและมีอุปก า, าระยิ่งในหัวใจของเราเอามาทํางานคือสติธรรมสติธรรมก็คือเกิดขึ้นจากจิตของเราแหละจิตของเราคือผู้รู้สติธรรมของเราก็คืออาการของผู้รู้ แต่เป็นฝ่ายคุณสมบัติเวลาเราตั้งเจตนากำหนดจดจอ่อตั้งสติขึ้นมาโรู้อยู่ภายในจิตของเราจิตของเราตื่นรู้โรู้ชัดเจนอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวกล็ลดจดจ่ออยู่อย่างนี้แหละประกอบกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราจะได้รับความสนุกสนุกอยู่กับบทธรรม แต่ถ้าเราไม่กำหนดจดจ่อพิจารณาให้เขาสงบอยู่กับอารมณ์ทำบทของธรรมเหล่านั้นจิตมันก็จะเลืเรื่อนไปตามสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถจักรของจิตจิตจะต้องวนไปกับวัตจักรเหล่านั้นเพราะอายตนะภายในที่เป็นตามันก็เกี่ยวข้องกับรูปหูเกี่ยวข้องกับเสียงจมูกเกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นเกี่ยวข้องกับรสกาย เกี่ยวข้องกับผัสสะคือการไปกระทบขว า, ากายในชนีดหมายถึงประสาทกายที่มีที่มีอยู่รอบๆตัวเราประสาทกายนี้ทําให้เราได้รับความรู้สึกเกิดความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แหละด้วยเหตุที่เรามาสัมผัสสัมผัสมีผู้รู้เป็นผู้รับทราบทาให้ตกค้างอยู่ในหัวใจของเราเป็นสัญญาอารมณ์เราหลับตานี่แหละแต่มันมีรูปสัรู ป, ปรสัญญามาปรากฏ เราไม่ตั้งใจจะฟังนั่นแหละแต่มันมีเสียงแหววออกมาที่หูเป็นสัทธะสัญญากลิ่นนี้รสชาสัญญารสอย่างเงี้ยเช่นอย่างไรรสเปรี้ยวรสหวานรสอะไรแซ่บๆที่เราคิดถึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเราที่เรียกว่าสัญญาสัญญาสัญญาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นอาการอันหนึ่งของผู้รู้ของเรา คือมีรูปธรรมและมีนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกายเพราะเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นต่อเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดสุขครบวงจรอยู่ในนี้แต่ต้องเอาข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านวางไวมาถือตามมาประพฤติตามมาปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแนวตามแถวที่พระงทรงวางเอาไว หลักการใหญ่ๆที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ให้เราเจริญตามหลักอริยมยรรยาบรประกอบกปด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เอามากำกับที่กายเพราะกิเลสตัณหาเหล่านี้มันสแสดงออกมาที่กายพอเราทะลักทะ ล, ลวงแสดงพฤติกรรมลุกอำน้าให้เก่มมันก็เป็นเรื่องของกายกรรมเป็นเรื่องของปจีกรรมคำพูด แล้วก็เป็นเรื่องของมโนกรรมนึกคิดอยู่ในใจเป็นเรื่องของมโนกรรมถ้าเราปล่อยให้กิเลสทั้งหลายมันมีอํานาจดีดดิ้นอยู่ในหัวใจของเรามันจะนึกรูปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องเสียวันทั้งวันคืนทั้งคื น, คนไม่มีหยุดไม่มีหย่อนพระพุทธเจ้าท่านรู้วิธีการที่จะสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ท่านจึงให้เอาธรรมะมาบริกรรมเช่นอย่างพุโทโธพุธโทโธหรือธ ร, รมโมธ ร, รมโมหรือสังโฆสังโฆบริกรรมให้จิตได้รับความสงบ จิตของเราม ด, ดิ้นไปตามน้าของตัณหาเราตั้งเจตนาและมาบริกรรมให้จิตอยู่กับบทธรรมอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมในขณะที่เราบริกรรมมันเป็นกิริยาของกรรมสิ่งที่ตกผลึกเป็นเรื่องของธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้ผลรายเหลือเป็นเรื่องของธรรมหากใครเจริญอยู่อย่างนี้คนนั้น สะส ม, มทำทําเป็นนาทีเป็นทําเป็นชั่วโมงทําเป็นวันดัางริดอยู่อย่างนี้ไม่หยุดไม่ย่อนคนเหล่านี้หอบยิ้มแต่ผลของทำเข้าสู่หัวใจแต่ถ้าเราไม่ดํางริดทำกิเลสมันเอาจิตดวงนี้แหละไปทางานเขาให้กำมันเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบัต<อ>ิกิเลสกรรมวิบัติพอมันนึกเรื่องรูปปั๊บตั้หาแทรเข้ามาทรูปเอาไปใช้แล้วมันนึกเรื่องเสียงปั๊บเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสปั๊บ ตั้หามาแทรกสิ่งเหล่านี้แทรกไปได้เร็วมากเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้หยุดเจ้าก่อนไม่นึกไม่คิดไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสทําให้เราอยู่กับงานงานคืองานภาวนานงานภาวนาเราทําไปจนจิตของเราอยู่กับวิตรวิจารณจากนั้นต่อไปแล้วจ ะ, จะเริ่มมีความสุขเนื่องจากจิตของเราสงบมันไม่ว้าวุ่นขุ่นหมัวมันไม่ก่อกวนตัวเองจิตไม่กวนตัวเอง คืออารมณ์ภายในจิตนั้นมันมันวามากวนคําว่าจิตกวนตัวเองหมายความว่าจิตมีตัณหาอยู่ในนั้นตัณหาและมันกวนจิตก็เท่ากับจิตจิตกวนตัวเองในเมื่อเราสงบรพระงับให้อยู่กับบทธรรมบทธรรมมันจะทําให้เราสักแต่ว่ารู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดถ้ามีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดมีชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมา มันเป็นเรื่องของตัณหามาแทรกมาสวมรอยอันนี้เป็นวงจรของมันตัณหาเก่ามันส่งเรามาแล้วตัณหาใหม่มันพร้อมที่จะเกิดถ้าเราหลวมตัวให้มันโดยทําไปตามวัฏจักรของมันเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าเราไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเราอยู่กับก อ, องกิเลส กิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกรรมวิบากเป็นผลรายได้ของกิเลสเรามาพิจารณาดูว่าบางพบบางชาติที่เราไปบำบัินั้นอ่ะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราเลยความเป็นอยู่ของเราพัฒนาไปตามบุญตามกรรมแต่ถ้าเป็นมนุษย์มีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมปนเพื่อนอยู่ในนั้นแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆ ยังมีเจตจำลองรู้เดียงสาภาวะมันก็มีทั้งกิเลสมันมีทั้งธรรมปนเปื้อนอยู่ในนั้นด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้นี่แหละจึงทาให้โลกนี้ปรากฏกับเราแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราความสุขเกิดขึ้นก็รู้ยินดีพอใจความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ไม่ยินดีไม่พอใจความยินดีความพอใจความไม่พอใจนี้ เป็นเรื่องของเวทนาที่เรียกว่เวทนาขันเวทนาขันมันพันกันไปหมดแล้วแหละเราพูดถึงหลักของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในใจของเราเพราะฉะนั้นเรายึดหลักตามหลักที่พระพุทธเจ้าทั้งรงสอนยึดได้แบบย่อๆคือหนึ่งเราพยายามเจริญสมถัติทำให้ใจสงบสงบอย่างเดียวท้าเรียกว่าสมัมถัตสงบด้วยพิจารณาด้วยท้าเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเอาอะไรมาสงบ เอาสติเอาสัมผัสัญญะมากำกับที่จิตให้เราอยู่กับบทธรรมบทเดียวอยู่อย่างนั้นแหละจอยอย่งั้นแหะบริกรรมซ้ําๆซักๆการบริกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นการพยุงจิตมันเป็นการยกจิตจิตของเราถ้าเราไม่ยกเนี่ยมันจะจมจมไปกับอะไรจมไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถกับสัมผัสที่มีอยู่ในใจของเรานั่นแหละมันจมไปกับสิ่งเหล่านั้นแหละการที่เราเอาสติเอาสัมผัสัญญามากำกับจิต และกำหนดจดจอพิจารณาอยู่ยนี้มันเป็นการพยุงจิตเช่นอย่างเรามากระตุกว่าพุโทธโธพุทโธเราก็ตั้งเจตจำนงแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเจตจำนงให้อยู่กับบทธรรมพุโทธโทธพุทโธพุทโธตอนเริ่มแรกเราพยายามตั้งเจตนาธรรมก็ไปจนกว่าเราจะปล่อยให้เปลี่ยนไปตามหลักธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสงบไม่ไปบังคับ แต่ไม่ทิ้งคําบริกรรม Despite, พุทโธพุทโธอยู่นั้นทำไปจนจะอิ่มคําบริกา ร, รเหมือนอย่างเราเหิวข้าวแล้วเรากินข้าวรับทานข้าวรับทานจนอิม่มพอมันเริ่มอิ่มแล้วมันจะเริ่มหยุดรับทานการที่เราตั้งใจบริกา ร, รพุทโธพุทโธนั้นเหมือนเรารับทานอาหารพอรับไปแล้วมันเริ่มอิ่มพอมันเริ่มอิ่มไปแล้วเราก็ไม่ใส่เข้าไปแล้วก็มันอิ่มแล้วใจของเราก็อิ่มอารมณ์เป็นเหมือนกัน อารมณ์ที่เราจับใส่ให้เขาคือพุโทโธพุธโทโธก็ทำำํำนานๆเขา้าแต่จะต้องอยู่ด้วยการอดการทนการบังคับด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอย่างเหนียวแน่นมั่นคงอย่างเต็มแรงไม่งั้นบังคับไม่ได้สู้อำนาจของตัณหาไม่ได้การที่เราพยายามตั้งใจเจริญมรรคเราจะต้องสํารวมรมะมัดระวงังและเราจะต้องใช้กําลังบังคับเหมือนกันการที่เราตั้งเจตนาดํารงสติ ให้พร้อมโรูอยู่อารมณ์หนึ่งเดียวไม่อารมณ์อื่นมาแทรกได้นะเราจะต้องตั้งเจตนาที่เหนียวแน่นมัน่นคงพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตเราอิ่มอิ่มคําว่าพุทโธจิตไม่ต้องว่าพุทโธจิตไม่ไปไหนจิตไม่ดีดไม่ดิน่นไปตามรูปตามเสียงตามสัญญ า, ารมณ์ที่มันจะมาแทรกจิตเริ่มได้รับความสงบจิตได้เริ่มได้รับความสุขจิตเริ่มได้รับปีติ ปิติทางกายปิติทางใจปิติแปลว่าความอิ่มคืออิ่มอารมณ์ที่เราว่านะั่นแหละเหลือเหลือปิติเหลือสุขแน่กับอารมณ์ที่เราเกาะอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเลยปิติไปเหลือสุขกับอารมณ์หนึ่งเดียวเลยสุขไปเหลืออุเบกขาวางวางเฉยไม่มีกิริยาการจางรู้แน่วงนั้นอันนี้คือมันเข้าละเอียดลึกไปโดยลําดับคือภูมิของความสงบ ครูบาอาจารย์ท่านให้เจริญความสงบสงบขั้นไหนระดับไหนเมื่อเวลาจิตเราถอนมาท่านให้เราพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาสงบด้วยพิจารณาด้วยมันเป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของวิปัสนาแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงวิธีละอีกอันหนึ่งคือมหาสติมหาสติยืนก็ำนกำหนดสติเดินก็ำนกำหนดสติยืนเดินนั่งนอ น, น, อนกินดื่มทำพูดคิด พยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อทุกอิริยาบถเพื่อไม่ให้ปัญหามันแทรกเข้ามาอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรมเรากำหนดจดจ่อทำได้ทั้งวันเราอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเราพยายามปลุกสติกับจิตของเราให้จิตของเราตื่นรู้เราเอาสติทำนี่แหละมาปลุกจิตของเราจิตคือผู้รู้ปลุกผู้รู้พลายตื่นรู้รู้อยู่หนึ่งเดียวมันเป็นการสร้างสรรค์ มันเป็นการสร้างคุณสมบัติให้กับจิตของเราเสริมส่งเสริมความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตของเราจากนั้นแล้วความรู้แปลกประหลาดชั่งถึงขั้นว่ามีอภิญญามีสมาบัติมีอะไรต่ออะไรตามแบบตามหลักตามตานานที่ท่านทรงพูดเอาไว้แสดงเอาไว้มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆเพราะในหลักในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีศินสมาธิปัญญาสิลสมาธิปัญญานี่จะทํางาน ประสานประสานกันไปทุกระยะทุกระยะเราพูดถึงปัญญามันก็มีสมาธิอยู่ในนั้นและเราพูดถึงสมาธิมันก็มีปัญญาอยู่ในนั้นนะเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจา้าไม่ใช่มิจฉาสมาธิสงบเงียบละเอียดนิ่งไปเลยไม่ได้อะไรตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้กําลังอะไรเพราะมันขาดสติหายเงียบไปเลยอย่างนี้น่ะ พอเวาตื่นขึ้นมาก็ไม่มีกําลังไม่มีอะไรแต่ถ้าเราพยายามรักษาสติให้อยู่กันเนื้อกับตัวรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแนว้อยู่เนี้ย่มีกําลังมีพลังท่านให้เอารู้ที่มีพลังเนี่แหละมาตามรู้มาตามพิจรารณาพิจารณาอะไรพิจรารณากองสังขารนี่เองพิจารณาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะยิ่งเราไม่พิจารณาเท่าไหร่เราก็ยิ่งหลงไปเท่านั้นเราไม่พิจารณาเท่าไหร่เรายิ่งหลงไปเท่านั้น หลงอะไรหลงยึดก่อสังขารนี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราคำว่าเราคำว่าเราเวลามันปรากฏขึ้นมาในหัวใจของเราเราสามารถพิจารณาได้เราสามารถรู้ได้เราสามารถทันได้เราสามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะถ้าหากเรามาหมุนอยู่กับหน้างานตรงนี้เราจะรู้ได้เวลาอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาพออัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเนื่องจากเราขาดสติขาดสัมผัสัญญะ ปัญหามันแทรกเข้ามาที่จิตของเราได้อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจากนั้นแล้วสิ่งอื่นก็ตามมาความถือเราถือเขาถือท่านถือสูงถือต่ำถือยศถือศักดิ์ถือเกียรติถือผิดถือถูกถืออะไรที่ว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่ามันปรากฏขึ้นมามันกลายเป็นตัวตน มันเลยเอาตัวตนไปเทียบกันุันเทียบกันนี้เทียบกันนี้เทียบกันนั้นเมื่อมีตัวตนโผล่ขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นม า, ามกรยึดความทุกข์เกิดขึ้นมากรยึดยึดว่าเราสุขยึดว่าเราทุกข์นี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้น venir, ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัว ใ, ใจของเราเกิดขึ้นจากการที่เรายึดนี้เองเราไม่ได้ใช้สติใช้สัมผััญญะใช้ปัญญาใช้สมัย ที่ศักดิ์สมาพิจารณารู้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยส่งสืบเนื่องแก่กันและกันเหมือนอย่างที่หลักทัที่ท่านพูดว่าหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยเหตุที่เรารู้เราหลงเราลืมมันเลยกลายเป็นกองสังขารลายกลายเป็นอัตตากลายเป็นตัวตนจากนั้นแล้วก็มันก็พันกันในระดับภพบในระดับชาติเกิดมีวิญญาณเกิดมีรูปนามเกิดมี วิญญาณวิญญาณขันเกิดมีวิญญาณกเกิดมีผัสสะเกิดมีเวทนาแต่เวลามันทํางานทำงานชึกเดียวถึงกันหมดทีนี้เราทํางานเราพยายามกาหนดจดจอมาตรงนี้ตรงที่เวทนาเพราะเวทนาเป็นเป็นศูนย์รวมของธรรมเป็นจุดรวมของธรรมตราบใดที่เรายินดีเกิดสุขเวทนาแล้วหนึ่งหัวใจของเราตัณหาแทรกเข้ามาแล้วดูให้ดูเฉยเฉยไม่ยินดีได้ไหมพยายามตั้งสติ ตังสัมปชัญญะกำหนดจดจอ่อประกอบกับด้วยสมาธิที่เราเจริญมีอยู่แล้วนี่เป็นช่วยเป็นกลางหนุนเราจะเห็นว่าสักถ้าว่าเห็นจริงจริงสักถ้าว่าได้ยินจริงจริงสักถ้าว่าทราบจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดนั่นอัตตาตัวตนไม่โปล่อันนี้เป็นมันเป็นคุณธรรมคุณสมบัติของใจคุณสมบัติของการปฏิบัติหน้างานที่เรามาพิสูจน์ทดสอบให้รู้เห็นชัดๆั ในเมื่อเราทราบว่าสิ่งเหล่านี้ทําอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ประกอบกันอยู่อย่างนี้เกิดคุณสมบัติเหล่านี้เนื่องเๆในหัวใจของเราเราก็ทําไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเพิ่มภูนเข้าไปเรื่อยมาเป็นการมารู้มาทําความเข้าใจกองสังขารของเราเพราะกองสังขารเหล่านี้ถ้าเราไม่พยายามทําความเข้าใจเราหลงหลงลราก็ยึดยึดกองสังขารยึดกองสังขารเรายึดกองสังขารเขาเมื่อมีเราแล้วก็มีเขา เมื่อมีเราเป็นกองสังขารเรามีสิ่งมีร่องค้างเป็นของของเราความถือเนื้อถือตัวการที่เราจะไปยึดการที่เราจะไปครองเพื่อผิดเพื่อถูกเพื่อยึดเพื่อยึดเข้ามาเพื่อผลักออกไปมันต้เกิดขึ้นมีขึ้นเกิดความทุกข์ทับถมมาอยู่ยนี้ไม่จบไม่สิน้นนี่ความเป็นไปในรูปธรรมของเราความเป็นไปในนามธรรมของเรากิเลสเกิดมันก็เกิดขึ้นโดยลักษณะอย่างนี้ ทำเกิดทำก็เกิดขึ้นโดยลักษณะอย่างนี้เกิดยังไงเราพยายามเจริญมาเราก็หมดจดจ่อมาที่กายของเรากายญานุปัสสนาสืบประธานสมมูรณเรามีสมาธิพอสมควรแล้วเราก็ตามมาพิจารณากายพิจารณาผมแค่ผมเส้นเดียวนี่แหละกล็หมดจดจ่อดูผมแล้วก็ดูความยึดมั่นถือมั่นในผมว่าผมเรายินดีในผมไหมหรือยินร้ายในผมไหมก็หนดจดจ่อสักแต่ว่าเป็นผม ลักษณะเป็นผมเป็นนี่เป็นนี้เป็นนี้หรือเป็นขนหรือเป็นเล็บหรือเป็นฟันหรือเป็นหนังหรือเป็นกระดูกอะไรก็ตามแต่เราต้องทำจุดจ่อให้เห็นสักตว่าสิ่งเหล่านั้นจริงๆไม่ใช่เราผมสักตว่าผมเป็นภาวะอันหนึ่งขนสักตว่าขนเล็บฟันหนังกระดูกสักตว่ากระดูกไม่ใช่เราไม่ใช่กระดูกของเรา ทำความรู้สึกได้อย่างนี้หมายความว่าเราเข้าไปรู้เท่าทันความเป็นไปของตัณหาตัณหาแสดงตัวในใจของเราไม่ได้ในเมื่อแสดงตัวหนึ่งขณะไม่ได้สองขณนะแสดงไม่ได้สมขณนะแสดงไม่ได้เราพยายามประดิษฐ์จอยสืบเนื่องไปอย่างเป็นนาทีเป็นชั่วโมงจนสามารถเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ในกองสังขารทําลาย ทำความเข้าใจรู้แล้วก็ปล่อยทำความเข้าใจรู้แล้วก็ปล่อยไม่มียึดอะไรสักอย่างจนสามารถปล่อยได้แม้กระทั่งรูปธรรมคือกายของเราจนสามารถปล่อยได้กระทั่งแม่กระทั่งแม้นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและจิตในที่สุดทำความรู้จากทางความรู้เท่าทันอันนี้เป็นธรรมะละเอียดเลื่เข้าไปข้างในนะ มีที่ไปมีที่มามีต้นต่อมีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณธรรมเหล่านี้ทําให้เราสามารถพิสูจน์ได้ทดสอบได้ว่าตัญหาในหัวใจของเราดับได้จริงๆดับได้จริง อ, อะไรมาดับเอาสามมติฐานี่แหละมาดับตราบใดที่เรามีสมมติฐาในหัวใจของเราตัญหาแทรกเข้ามาไม่ได้ตราบใดเรามีวิปัสสนาอยู่ในหัวใจของเราตัญหาแทรกเข้ามาไม่ได้ตัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพิ่มภูตวีคุณหัวใจของเราว่าเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเกิดขึ้นมาได้อยู่อย่างนี้เราตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้แต่ตัณหาเก่าที่มาส่งเรามาแล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องรูปเราก็ปล่อยละได้ในส่วนของรูปทำให้เราเข้าใจส่วนเวทนาพิจารณาไปจนเห็นว่าทำสามารถสามารถละได้ในส่วนของเวทนาของสัญญาของสังขารของปิญญ า, าสามารถละได้ในส่วนที่เป็นรูปสามารถละได้ส่วนที่เป็นนาม ทำความรู้ทำความเข้าใจรู้เท่าทันละได้ปล่อยได้วางได้ด้วยอํานาจสติด้วยอํานาจปัญญาด้วยเจตนาที่เราเจริญให้ต่อเนื่องกันสจางโ่ําไม่ทําให้เกิดความเมื่ อ, หอยหัวใจของเราพระพูดมาถึงตรงนี้ถ้าทุกท่านพยายามย้อนเข้าไปที่จิตของเราที่ผู้รู้ของเราอ่า เราจะทราบว่าพูดอยู่รอบๆจิตของเรานเองไม่ได้พูดออกห่างไปจากที่ไหนและนี่แหละเป็นหลักปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติตั้งใจทําอยู่นี้ให้รับความสนุกซึ่งเป็นส่วนของสมถะตราบใดสมถะอย่างเดียวเกิดขึ้นในหัวใจของเราสักจะทำหยาบๆมันจะเริ่มปรากฏในหัวใจของเราแล้วยิ่งรเรามาเจริญวิปัสนาพิจารณาสอดส่องคลี่คลายขยบหน้าขยับหลังบูเวทนา เช่นอย่างเรานั่งปวดนีเรานั่งปวดเป็นเรื่องของเวทนาเราสามารถพิจารณาสุขเวทนาได้ในกายของเราในใจของเราสามารถพิจารณาทุกเวทนาได้ในกายของเราในใจของเราแต่การที่เราจะพิจารณาเวทนานั้นเราพิจารณาทุกเวทนาเราพิจารณาได้ง่ายกว่าเพราะทุกเวทนามันเป็นสิ่งที่เราต้องอดต้องทนแต่ถ้าเราพิจารณาสุขเวทนาทุกเวทนาชด้จํานานแล้ว เราพยายามย้อนมาดูสุขเวทนาในใจของเราบ้างเพราะสุขเวทนาในใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องอดต้องทนถ้าเราคล่องเกี่ยวกับทุกขเวทนาแล้วสุขเวทนาเราก็จะคล่องไปด้วยแต่ถ้าหาเราไปพิจารณาทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกขเวทนามันไม่ต้องทนพอเราทําไปทําไปทําไปเพลินไปกับความสุขแน่ตัณหามแแ่แทรกครับพิจารณาไปพิจารณาไป หมายว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายเราเบาสบายเราปลอดโรงนี่ดูไปดูไปดูไปบางทีลืมที่งานไปแล้วลงเคลื่อนไปตั้หาครอบแทกเข้ามาทันทีนะแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาเช่นอย่างเรานั่งนานา น, า น, านี้เราเจ็บเราปวดเจาะไปที่ความปวดของเราเอาผู้รู้เราผู้รู้ของเรามีสติมีสัมปชัญญะปลุกจิตของเราให้ตื่นโรรู้ยุ่งกับทุกขเวทนา ควาเจ็บความปวดไม่สําคัญว่าหัวเข่าเราปวดเอวเราปวดหลังไหลเราปว ด, ปวดให้สัตว์จว่าปวดจริงๆไม่ยินดีความยินดีไม่เกิดขึ้นความยินร้ายได้เกิดขึ้นไอ้ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสามารถของใครของเราที่จะพิจารณาว่าทำให้ความยินดีจะไม่เกิดขึ้นถ้าสติของเราไม่ทันปัญญาของเราไม่ทันความยินดีจะเกิดขึ้นทันทีเมือ่อยางเราเจ็บเราปวดปั๊ มันรู้สึกขัดข้อขึ้นมานหัวใจของเราโอ้ไม่ชอบใจไม่พอใจอยากให้หายแน่แสดงว่าตัณหามมาแทรกเข้ามาแล้วอ่าเพราะอะไรพอตัณหาแทรกเข้ามาว่าอุปาทานยึดเอาทันทีว่าเราเจ็บเราปวดเราเจ็บเราปวดพอพลิกปับ๊บความเจ็บความปวดอันนั้นหายไปรู้สึกดีใจแน่ตัณหามาแทรกเข้ามาทั้งขึ้นทั้งหลอกเลยในเจนนี้ เราจะต้องมากำหนดจดจอย อ, อยู่ตรงนี้เราถึงจะรู้เท่าทันสภาะธรรที่เราจะพุงเจริญทำมาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่เราพูดเราพูดถึงต้นกำเนิดของกองสังขารของเราอาวิชชาเป็นต้นกำเนิดของกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงอวิชชาคือตัณหากิเลสตัณหาอุปาทานมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตพร้อมกับผู้รู้ของเรา เราสร้างมันมาเองเราทํามาเองเกิดมาพร้อมกับผู้รู้ของเราถ้าหากเราจะเทียบไปว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้เป็นวัตถุเป็นวัต ถ, ถุดิบอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปฉะไปล้างไปกัดไปกล่าวเหมือนอย่างเพชรเอยเหมือนอย่างแก้วมณีทั้งหลายทั้งปวงเอยเรายังไม่ได้ไปเกลี่ในให้เป็นสังเป็นเหลี่ยมแพรวพร้าวซึ่งมีคุณค่า จิตของเราเช่นเดียวกันเกิดคนเพื่อนมากับสิ่งเหล่านี้เีเรามาดูพวกเราไม่ใช่เราเพิ่งเกิดในอัตภาพนี้หรือเพิ่งเกิดมาปีสองชาติสองชาติไม่ยั่งไม่ใช่เกิดมาคนละกี่กับกี่วัตตะกับมาแล้วเกิดมาคนละกี่อสงไข่กับกันมาแล้วเราทราบไม่ได้ไม่ใช่เราเพิ่งเกิดนะเกิดตายเกิดตายเกิดกายเจ็บตายไม่ไม่รู้ยาวนานมาเท่าไหร่เราดูแต่พระจิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุธรรมภูเบนีวัชรศรติยาน ลึกเห็นภพชาติของพระองค์โอ้ยลึกย้อนไปข้างหลังไม่รู้จักจบย้อนไปเท่าไรไม่รู้จักจบเกิดชาติ น, นั้นเกิดชาติ น, นั้นเกิดแก่เยาว์ตายเกิดแก่เยาว์เกิดชาติ น, นั้นเกิดเป็นนู้นเกิดเป็นสัตว์เกิ interior, ดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นรพรหมพรีแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นไม่รู้มันนานนานักเท่าไรเรามาดูเลยพระองค์สร้างบารมีอย่างพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมของเราทุกวันท่านก็เป็นประเภทปัญญาที่กัเสียสงไขยแสนมหากัอันนี้หมายความว่าหลังจาก พระองค์ได้ผ่านการพยากรณมาแล้วมันต้องสร้างบารมีทั้งสี่สงแขยกับแสนมหากัรให้พวกเราหนึ่งกับหนึ่งพวกเราก็เหลือเหลือแบกแล้วเหมงอนนเถอะแสนมหากรแต่ละกับแต่ละกับมันโน่นนานสักเท่าไหร่เราดูความแข็งแกร่งของผู้ที่ปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธ์หวังอย่างเดียวหวังที่จะเอาจิตคือผู้รู้ของเราให้พ้นไปจากความทุกข์ในแก่ในวัตฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หวังจะมาช่วยสัตว์โลกทั้งหลาย ให้พ้นไปจากโกรธแก่เจ็บตานเนี้ยเนี่ยต้องสร้างบา ร, รมีถึงขนาดนี้บางประเภทแปดอาสวะขแสมหากับเนี่ยนานก็ไปอีกเท่าหนึ่งบางประเภท16บหกอาสวะขายแสมหากับอย่างพระพุทธเจา้าเราต้องสร้างบัญญาบา ร, รมีก็ตามปร่งนึกอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าในใจนึกอยากแล้วออกปากมาแล้วรวมเวลาไปแล้วทั้งผ่านการพยากรมาด้วยแล้ว 20อสังขยนี่ประเภทปัญญาธิกฐินะถ้าเป็นประเภทสถาธาทิฏฐ<ม>ิผเพิ่มเข้าไปอีกเท่าหนึง่งนะสอีอสงไขัยถ้าเพิ่มเป็นถ้าเพิ่มไปอีกประเภทวิริยานทิกฐ<ม>เพิ่มไปอีกเป็น80อสองไขยัยแล้วนะถ้าเราจะเทียบแล้วก็ประมวลค่าเอาตามนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยลําดับว่าจิตใจกล้าแข็งขนาดไหนที่จะมาสร้างบัญญาบา ร, รมี พื่ที่จะมารูช่องดูทางตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นอยู่เราเป็นอยู่ด้วยบุญญาด้วยบารมีเราเป็นอยู่ด้วยบุญญาด้วยบารบีเรามีสุขมากเรามีทุกน้อยเรามีสุขน้อยเรามีทุกมากเรามีทุกมิจะทุกข์กับทุกมิจะทุกข์กับทุกและเรามีแต่สุขกับสุขหมายถึงความสุขแบบโลกีแต่ถ้าเป็นความสุขขั้นโลกุตระเราจะต้องมาเจริญรอยตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว ทั้งเรื่องของสมถะทั้งเรื่องของวิปัสนาแต่ต้องมีศีลเป็นบาตรเป็นฐานด้วยเหตุที่เราตั้งใจรักษาศีลเราก็เริ่มต่อกกันกับกิเลสแล้วกิเลสก็คือสิ่งที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองทัานเรียกท่านเรียกว่าสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองมันเศ่้าหมองอยังไงใจของเราใจมันโลภใจมันโกรธใจมันอิจฉาริษยาใจมันวยาบาทนี่สิ่งเหล่านี้ทําให้ใจเราเศร้าหมองนั้นความเครียด ความเกลียดความเคียดแค้นความจริงชังอะไรต่ออะไรมันทําให้จิตใจเราสับสนทําให้จิตใจเราเศาหมองทั้งนั้นท่านจึงใช้คําอีกคําหนึ่งว่ากิเลสกิเลสระ่าสภาพที่ทําให้จิตใจเราเศาหมองแท้ที่จริงมันก็เป็นกิริยาของตัณหาความลิ้นรนความเจียวทยานของผู้รู้ของเราที่เรียกว่าตัณหากิเลสตัณหากิเลสอวิชชาตัณหาป่าทานเป็นสิ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งหนึ่งเดียวกัน คือเป็นเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้นพระองค์วิท้ธาธรรนจึงส่งชี้ไปที่สมุทยัยสมุทยัยสมุทัยเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดทุกข์ดูไปที่อริยาาสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้เป็นวิชาที่ประองครู้เองด้วยสัมมาสัมพุทธคขาพระองค์เองนะลองไปฝึกกับอุทกดาบทอารัตดาบทอ่าอนาบทั้งสององค์ไม่เคยสอนอทุกสมุทัยนิโรธมากไม่เคยสอนพระองค์ เมื่อไปศึกษาจบรูปปัสมาบัติอารูปปัสมาบัติแล้วบอกว่าเราหมดความรู้แค่นี้ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเธอรเรียนจบหมดแล้วความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะท่านทรงศึกษาเพื่อทําลายความทุกข์ออกจากหัวใจของพระองค์อาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วพระองค์ย้อนมาดูพระไัยของพระองค์โอ้ควาทุกเต็มแปร่อยู่ในพระไถยของพระองค์ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4จึงเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะความปรีชาสามารถของพระโอเว โดยพระองค์เอาธรรมะเหล่านี้มาสอนในหลักธรรมจักรท่านพูดเอาไว้หลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรมธมรรคธรรมะขยายละเอียดในหลักของธรรมจักรกับพระวัตนาสูตรทุกท่านหมายถึงกองสังขารที่เป็นรูปธรรมของเราท่านหมายถึงกองสังขารที่เป็นนามธรรมของเราพระองค์ปฏิบัติไปจนถึงขั้นบอกรู้ได้ว่าโอ้อันนี้เป็นเป็นทุกข์นะ มีมียานบอกมีญานอัศนะบอกอว้วนเป็นทุกทุกคนกำหนดรู้ทุกคนกมหนรู้กำหนดรู้แล้วนะสมุติไทยคนกําหนดล่าะสมุติไทยคืออะไรคือตัณหามันมีอยู่ในหัวใจของเราตัณหาคืออะไรคือความดิ้นรนความทเสียานของใจเป็นจิตสังขารที่เป็นส่วนนามธรรมาแต่พพภูมิที่เขาจะไปบำบัดนั้นน่ะ เขาจะจะไปเอาบัตรลอยๆมีแต่นามไม่มีรูปก็ได้ไปมีแต่รูปไม่มีนามก็ได้มีทั้งนามมีทั้งรูปก็ได้เช่นอย่างพวกเราเนียมีทั้งรูปมีทั้งเวญนามีสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นรูปประดมกับนามประามที่เรียกว่าปัญจโวการปัญจโวการมาเกิดมีอาการทั้งทั้งบางพบบางชาติไปเกิดเป็นมีแต่รูปไม่มีนาม เช่นอย่างประเภทพวกอสังยีสัตว์อสังยีสัตคําว่าอสังยีสัตคือไโอบัตมีแต่รูปไม่มีนามไม่มีความรู้สึกอสังยีสัตอสังยีแปลว่าไม่รู้ตัวไม่รู้สึกเป็นพรหมนะปปอบัตชั้นสูงมากพรหมที่ไม่มีนามมีแต่รูปแล้วก็ไปอบัตเป็นพรหมที่มีแต่นามไม่มีรูปมีแต่เวทนา ส, าสาัญญาสังขารวิญญาณรวมลงแล้วภพภูมิของเราจะมาแยกแค่เป็นเอกโวการ ประสัญญาสัตวจะดูโวการ <Yeah. S 1> ประเภทพรมที่มีแต่นามไม่มีรูป uh. และประเภทปัญจโบการเหมือนอย่างพวกเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือการพลิกฝันไปของพฤติกรรมที่เราทํา <Yeah>. uh. บางพบบางชาติมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้าง uh. บางพบบางชาติเราได้ตั้งใจปฏิบัติจนได้รูปปัสมาบัติอารมู ป, ปสมาบัตเนี่ย <Yeah>. uh. อารูปปัสมาบัติก็เคยไปเกิดเป็น เป็นอรูปพรมรูปปัปปสมบัติก็ไปเกิดเป็นพรหมที่มีตรูปไม่มีนามบางบางบางพเราก็ไปเกิดมีแต่นามไม่มีรูปเนี่ยมันละเอยียดเขึ้นโดยลําดับนี่ยมาถึงภพภูมิของเราแต่พวกเราเกิดมาในปัญจโวการท่านพูดถึงการกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเกิดในปัญจโวการเหมือนอย่างพวกเราเกิดในคันที่เราท่านบอกเกิดในคันแยกแยกามาอีกเกิดในคัน เกิดในไข่เกิดในเท่าไก่เกิดโอปป้าจิกัดเงี้ยก็ในคันเหมือนอย่างาพวกเราเงี้ยเหมือนอย่างาควายวัวเงี้ยไปย้อนกระแตออกมาเป็นลูกต้องตั้งคันออกมาเป็นลูกเกิดในไข่ก็พวกไข่เป็ดไข่ไก่นี่ยแหละมันต้องฟักมาอีกทีหนึง่งถึงจะมามาเป็นตัวนี่เกิดในไข่เกิดในเท่าไก่ก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายทั้งปวงเกิดในสิ่งที่สปกปรก เ, เกิดในเท่าใครเนี่ยเกิดในเมื่อในตมในอะไรอะไรในสิ่งที่สกปรกหากสิ่งเหล่านี้มันมพัฒนามาได้ยังไงก็พัฒนามาด้วยอวิชชานั่นแหละฮะมันเป็นอะไรถ้าเราเรียนเคมีเราก็จะรู้จักว่าอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเคมีส่วนไหนมันเกี่ยวข้อง ก, กับอะไรจะเป็นเหตุอะ้เกิดอินทรีย์อย่างนั้นอย่างนี้เกิดมีชีวิตเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งเป็นส่วนที่มีส่วนประกอบทั้งนั้นที่เกิดอ่า สังเสดสิชาแล้วก็โอปปาติกะอันนี้ไปผุดขึ้นเลยไปเกิดไปกำเนดไปกำเนิดไปผุดขึ้นเลยเช่นอย่างอะไรเช่นอย่างพวกเทวดาชั้นต่างๆเช่นอย่างพวกสัตว์นรกต่างๆไปอุบัติขึ้นเลยตั้งแต่สัมภเวสีเป็นต้นไปไปอุบัติเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาเลยนี่คือกําเนิดของสัตว์ทีนี้เราพูดถึงเรื่องภพภูมิก็พูดถึงว่าเกิด มีแต่รูปไม่มีนามเกิดมีแต่นามไม่มีรูปเกิดมีทั้งรูปทั้งนามมันอย่างมนุษย์เรานี่เรายกตัวอย่างความเป็นไปของวิญญาณของสสารทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากเราไม่มีการศึกษาทำประพฤธรทำปฏิบัติธรรมพัฒนาไปอยู่อย่างนี้และไม่จบมาที่เรียกว่าวัฏจัสงสารวัฏจักรสงสารเกิ ด, กดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายแต่เกิดแก่เจ็บตายนี่จะไม่อยู่เท่าเดิมจะต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูกทําไมต้องเปลี่ยน เพราะพฤติกรรมเพราเราไม่สม่ำเสมอกายกรรมพจีกรรมมโนกรรมขอเราไม่สม่ำเม ส, มสมอเนี่ยถูกลงมาที่อริยสัจสีทุกสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกเราดูมาถึงจุดสุดยอดที่พลิกฝันร้ายเป็นไปในภบในชาติคือความอยากความอยากในหัวใจของเราเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ต้องไปแยกแยะหรอก Harriet. เราพยายามมาจับความรู้คือความอยากของเรามันจับได้นะศึกษามาพิจารณามาอยากนั้นขึ้นมาจับอยากนี้ขึ้นมาจับอยากนั้นขึ้นมาจับ ถ, ถ้าอันไหนเป็นมรให้เราพยายามจับให้ต่อเนื่องถ้าไหนเป็นสมุทัยเนี่ยเป็นเรื่องของตัณหานะพยายามทําความรู้จักแล้วก็ปล่อยพยายามทำความรู้จักแล้วก็ปล่อยนี่คือสมุทัยคือความอยากถ้ามันสแสดงมาที่จิตของเรา มันอยูมอยอมมอย่มันอยู่ที่จิตของเรามันไม่ได้อยู่ที่กายมันอยู่ที่จิตของเรากายของเราตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุกระทบให้เกิดตัณหาเป็นเหตุกระทบให้เกิดตัณหามันสวมรอยขึ้นมาเป็นอยนายตระภายในหอยนายตระภายนอกหกพเราเรียนรู้ดีวิญญาณหกนี้จะคุโสตคานะไปจนถึงกายะไปจนถึงมโนมโนวิญญาเนี่ยผัสสะเนี่ยกายสัมพันธ์ จักสัมผัสโสตสัมผัสคณะสัมผัสพูดไปถึงเวทนาเวทนาคือคืออารมณ์คือความรู้สึกเรามาจากที่ความรู้สึกความรู้สึกนี้ที่เรียกว่าเวทนารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจเนี่ยรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจเป็นเรื่องของจิตรู้สึกสุขรู้สึกรู้สึกทุกข์อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมากับกายด้วยกายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับจิตจิตอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกายหรือทั้งจิตทั้งกายบวกกัน รู้สึกย icism, ินดียรู้สึกยินร้ายรู้สึกนี้แหละเป็นตัวแปรให้เรายินดีเป็นตัวแปรให้เรายินร้ายวิธีปฏิบัติพุทธิยถาให้อยู่หมัดคือเอาให้ตัณหาอยู่หมัดเรามากำหนดจดจ่อพิจารณาให้รู้เท่าทันตรงนี้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันตรงนี้ตรงนี้แหละมันเป็นที่พริกกินความกินงายกินตรงนี้ความสุขจะเกิดหรือเกิดตรงนี bueno. ้ความทุกข์จะเกิดหรือเกิดตรงนี้กิเลสจะเกิดเกิดตรงนี้ธรรมจะเกิดเกิดตรงนี้ ความถือเนื้อถือตัวด้วยกิเลตนาอาสวะจะเกิดก็เกิดตรงนี้เอาอะไรมาเป็นตัวตักเอาตัวสติธรรมตัวสัมปชัญ ญ, ญายธรรมมาทำความรู้จักกับตัวสมุทัยตัวนี้ทาความเจริญอยู่อย่างนั้นท่านจึงวางไปที่แนวที่ใหญ่ที่สุดคือมหาสติปัฏฐานให้เรามาพิจารกายมาพิจารเวทนาย้อนมาพิจารณาที่จิตย้อนมาพิจารณาที่ธรรม ครอบหมดเหมือนรอยช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเราเจริญมาตรงนี้เราไม่ผิดทางได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาให้พยายามจับลหลักให้ได้แล้วไปเจริญมาตรงนี้มันจะตรงแนวไปสู่ความความหลุดพ้นจากกิเลสทันหะอาสมันในหัวใจของเราความอยากที่จะงเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราสามารถสงบระงับได้ เราสมุปนะครับความอยากไม่ได้ปล่อยให้ความอยากดี ด, ดินห้อใจของเราไปมากเท่าไร่มันก็ยิ่งเพิ่มกองสังขารมากไปเท่านั้นเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาติไปไม่มีสุดเราไปดูในหลักปฏิจจสมุปนู้นไปจนถึงโศกปริเทวทุกขโทมนะสความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเช่นสายต้นต่อมันไปจากไหนไปจากนี้ประเภทโอปปะนิกาพวกเทวดาพวกพรอยเนี่ย ประเภทอปปาฏิกะประเภทประเภทประเภ ท, เทอบายภูมินี่อ ย, ยังสัตว์เขาก็ไปอบัตรนะเกิดในไข่เกิด ใ, ใเนใเท่าใครอาเงี้ยเกิดมาเกิดมาในคั น, นประเภทสัมพเวสีเงี้ยซึ่งมีติวิญญาณร่อนไปร่อนมาเร่ไปเร่มาเนี่ยโดยเฉพาะพวกสัมพเวสีเนี่ยตายไปแล้วยังไม่ไปผลไปเกิดจะไปนรกก็ยังไม่ไปจะไปสวรรค์ก็ยังไม่ไป จะไปไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ไปยังร่อนเร่หาที่เกิดอยู่ที่เยกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีเนี่ยคือบรรดาลโลกวิญญาณทั้งหลายตายไปยังไง เ, เป็นเด็กก็ไปเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแหละไปเป็นคนมีรูปร่างยังไงก็มีรูปร่างอย่อยางนั้นแหละมีอายุอยู่ในปูลไหนก็มีอายุอยู่อย่างนั้นแหละเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอานาจของตัณหาที่มันพายึดถือมัน่นโดยอุปาทานตายไปแล้ว มีแต่วิญญาณไม่มีรูปแต่มันยังมีรูปอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าอาทิตสมานกายที่สมานกายเข า, า, า, าเรียกว่าพวกกายที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะตาพวกเรามองไม่เห็นแต่ครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถท่านมองเห็นพวกอาทิตสมานกายกายนี้มันเป็นกายที่มันถูกยึดถือด้วยอานาจของตัณหาของอุ ป, ปาทานยึดเอาถือเอาเป็นกายที่เป็นส่วนของสัญญายึดเอาถือเอาตัวเนี้ย ไปเกิดเละโตขึ้นเลยที่เป็นสรรตรกกระถุกทรมานอยู่อย่างนั้นแหละร้องเรียนลึกขนาดไหนถึงเอเวจีมหานรกสิ่งเหล่านี้เป็นโอปปาติกะไปกําเนิดพุทขึ้นเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่รวมไปถึงพวกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเป็นพ่อเป็นแม่ของเขากรรมพฤติกรรมที่กระทํานี่แหละคือพ่อคือแม่ของเขาตรงกันข้ามกับพวกดาที่มาเกิดในปัญจโักาลเรามีพ่อเรามีแม่ เราก็ต้องไปอาศัยในท้องของแม่โดยเหตุที่พ่อแม่ท่างก็มีตันหาทําทการเจริญพันธุ์เกิดน้ําหยดใส่ๆนะั้นเราก็สแสวงหาด้วยอํานาจของตันหาอยู่แล้วเราก็ไปจับจ่ออันนั้นตามบุญตามกรรมของเราความเป็นไปในพรอบในชาติของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่เจริญรอยตามหลักคุณพุทธจ้ชาช ท, ท่านสอนแล้วโอกาสวัตฏะสงสัณ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นท่านจิงโสมตรัสว่าผู้ไม่รู้สัจธรรมวัตฏสงสารของผู้ที่ไม่รู้สัจธรรมยื้ยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีอะไรยาวเท่าไม่มีที่จบเลยแหละจะจบได้แต่เมื่อเราตั้งใจเจริญสินเจริญสมาธิเจริญปัญญาพิจรารณาเห็นทุกข์ให้เห็นสมุทยัยให้เห็นหหนิโทและเห็นความดับทุกข์ ด้วยมกักตั้งอกตั้งใจประพฤติตามปฏิบัติตามมากักการที่เราตั้งใจรักษาศีลเราเริ่มเจริญมาเจริญมาเพื่อระงับอะไรระงับกิเลสหยาบๆที่แสดงออกมาที่กายกายกรรมไปฆ่าสัตว์ไปรักษาไปประพฤติปีนิกามระงับมาที่กิเลสหยาบๆที่เกิดในใจในวาจาคำพูดพูดไม่มีสัตว์ไม่มีเชื่อพูดเท็จพูดหยาพูดซอเสียลพูดเฟอเจอเอาพฤติกรรมที่กายที่วาจา ไปทําให้เกิดเป็นกายกรรมขึ้นมาวัจีกรรมขึ้นมาใครสร้างใครทำเอาเอาเองทั้งนั้นไม่มีใครทําให้เร า, เาจากนั้นพฤติกรรมที่ใจเราเอาศินมากมํากับที่กายของเรามีศินทําให้กายกรรมของเราบ่อนสุดวัจีกรรมของเรามีศินทําให้วาจาของเราบ่อนสุดคือกายกรรมวัจีกรรมของเราบ่อนสุ ด, รร ม, รร ม, สดมันบริสุทธ์ได้ยังไงบริบรสุดได้ด้วยการตั้งใจรักษาสิน เมื่อเรารักษาได้แล้วกิเลสห ย, ยาบๆแสดงที่กายมาแสดงไม่ได้เพราะเรากำกับด้วยการตั้งใจรักษาสิลงที่วายจะคำพูดมีศักด์มีซื่อมีนุ้นมีนี่พูดตรงไปตรงมายอย่างนี้สามารถระงับดับกิเลสด้วยการตั้งใจรักษาสิ่งตอกอกันกับกิเลสแล้วนะเพราะฉะนั้นการตั้งใจให้ทานมากน้อยเท่าไหร่สู้เราตั้งใจรักษาสิลงไม่ได้ตั้งใจรักษาสิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งเท่าไหร่ สู้เราตั้งใจภาวนาะสงบระงับภายในใจไม่ได้อันนี้สงฆ์เพิ่มภูณฑวีคุณขึ้นโดยลำดับการตั้งใจพิจารณาทาให้การเจริญให้จิตได้รับความสงบมีอริงสง ม, มากมายเท่าไหรก็ตามสู้เราพิจารณาใ ห, ให้เห็นอันนี้อางทุกครั้งอนัตตาไม่ได้เนี่ยผลอนนี้สงฆ์จะเพิ่มภูณฑวีคุณขึ้นโดยลำดับอย่างนี้อันนี้อางทุกครั้งอนัตตาเราพิจารณาให้เห็น การเกิดขึ้นของตัณหาตั้งอยู่ของตัณหาดับอยู่ของตัณหาพิจารณาเห็นนี้พิจารณาเห็นที่ใจเอาอะไรมาเป็นตัวตัด ม, มาตัวพิจารณาสติธรรมสัมจัยธรรมปัญญาธรรมสมีสมาธิธรรมเป็นพลังกำลังจดจ่ออยู่นี้ทําให้มีผลรายได้สื่อต่อเนื่องกันไปเรืยสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลสื่อเนื่องไว น, นใจของเราทําให้เรารู้เท่าทาันความเป็นไปความเป็นมาของ ของกองสังขารของตัณหาที่จะพุ่งเจริญเกิดขึ้นนี้ขึ้ น, นสงบระงับได้ด้วยวิธีการเหล่าใดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิโรธเป็นนิโรธการที่เราตั้งอกตั้งใจเพื่อทําให้เกิดความสงบระงับดับกองทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้เป็นเปาะเป็นเปาะเป็นปเปาะมันเป็นเรื่องของการที่เราตั้งใจเจริญรอยตามมาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักอ น, นิจจังทุกขงังอ น, น, นัตตาเห็นเต็มที่ถึงขั้นจุดยอด เหลือแต่ภาวะของผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดมันเป็นการชัล้างผู้รู้เขาลอยบอลสุดโยนหนึ่งเดียวไม่เป็นของสังขารพระจิตของพระุทธเจ้าไม่เป็นของสังขารจิตของฟารานทุกๆพระองค์ไม่มีของสังขารสิ่งที่ไม่ใช่ของสังขารสิ่งเหล่านั้นไม่มีอนิจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาไม่มีภพไม่มีผู้ที่จะไปเกิดในภพเพราะหมดอะไรหมดความเป็นตัวตน ไม่มีการเอาตัวตนไปรองรับว่าสุขว่าทุกข์แต่นั่นแหละลก็ทงตรัสว่านั่นคือปรมาสุขังปรมาสุตังท่ารู้ของเราไม่สะอาดปนเปื้อนมากับสิ่งสโปรดในเมื่อเราชะล้างสิ่งสโครกหมดไปจากท่ารู้แล้วท่ารู้เหล่านั้นหมดไปจากโลกไหมไม่หมดผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั้นไม่หมดไปจากโลกเรามาดูพระพุทธเจ้านั้นเอา ภาพรวมท่านที่บริสุทธิ์ที่ประสงค์ชำระล้างได้เนี่ยเข้ารูปปีชาณรูปปีชาณในระหว่างที่ทรงอยู่ในรูปปีชาณรูปปีชาณพระอนุรุทธะมองเห็นไปประทับที่สัญญาเวทีนิโรดดับสงบสมุระงับหมดเหมือนกันตายหมดพระอนุรุทธะมองเห็นเพราะไปประทับสิ่งที่เปรียบสมบูตรูปปีชาณรูปปีชาณสัญญาเวทีนิโรดเป็นสมบูรณหรือเป็นวิหารธรรม เวลาพระกิจที่บริสุทธิ์ไปประทับนั้นพระอนุรุทธะมองเห็นทีนีเวลาพระองค์ส่งข้าไปใหม่เข้ารูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สในระหว่างที่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่ในฌานอนุรุทธะมองเห็นออกจากรูปฌานอารูปฌานพระองค์ก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นพูดได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าปรรณิผ่านแล้วดับรอบหมดแล้ว ด, ด, ดับทั้งกิเลสดับทั้งกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงหมดชิ้นแล้วมองไม่เห็นตอนที่ภาพพิมพ์สมมตินั้นพวกเรามองเห็นจริงแล้วนั่นแหละมีตกค้างเหลืออยู่ในโลกที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายกล่าวถึงพระองค์พุทธังศางนาจามย์ทัมังสศางนาจารย์สังขังศางนาจารย์ไม่ใช่เรากล่าวอย่างลมๆแรงๆพระองค์มาทรงตรัสเป็นปรัชญายอีกว่าผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นด้เห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม เราตั้งใจเผ่อหนายใจในรับความสงบมากเท่าไหร่เราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าตั้งใพิจารณาเกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาละธาตุขันได้เป็นปลอบเป็นปลอบเป็นปลอกจะเริ่มเห็นพระพุทธเจาละได้หมดเห็นพระพุทธเจ้าเต็มปองเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นบทบาทที่จะทําให้เราก้าวดําเนินเดินไปสู่ความพิบุตรหลุดพ้นตามหลักที่พุทธเจ้าท่าทร่งสอนให้เราชะล้างสิ่งที่เป็นกองสังขารให้เหลือเป็นวิสังขารเนี่ย จิตของพระพุทเจ้าของพระอรหันต์ท่านไม่เรียกว่าสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารเป็นอื่นไปจากกองสังขารเนื it, <c oughs> ่องจากว่ากองสังขารใดๆก็ตามเป็นกองสังขารรากระตามอยู่รอบข้างตัวเราวัตถุถา้วลทั้งหลายทั้งปวกอยู่รอบข้างตัวเราเป็นกองสังขาร ท, า ท, าทั้งนั้นสิ่งนี้จะไม่ยืนยงจะต้องเปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเปลี่ยนรูปเปลี่ยนท่าไปอย่างหนึ่งเรามาดูเหล็กไหลเรามาดูอะไรที่มันแข็งที่สุด เป็นล้านล้านล้า น, า น, า น, า น, านปีต่อไปไหนกันนะมันจะต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชงของมันไปเป็นอย่างอื่นมันจะไม่อยู่เท่าเดิมแต่เราเห็นง่ายคือเห็นอายุเห็นสังขารในตัวของเรานี่แหละเราจะเห็นเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนโอปน้ปีนี้ปีนี้ห้าสิปีโอห้าสิบเอห้าิบสอง้าสเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้ปีนี้หกสิบปีหกสิบเอ็ดหสองเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้ปีนี้เจ็ดสิบปีอ่า เปลี่ยนไปเลยพบสิบเป็นเทเจ็ดสิเป็เจ็ดสเจปดสิ บ, บ, บ, ส บ, ส บ, สบปีไม่เกินร้อยปีก็ตายตายมาเพราะว่าเสื่อมสลายหมดอายุไขก็เสื่อมสลายไปนี่คือกองสังขารแต่ตรงกันข้ามแล้วไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีความเปลี่ยนแปลงดำงรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีพบจํากัดไม่มีเวลาไปจํากัดมากน้อยเท่าไรไม่มีจํากัด ดำรงตมอยู่อย่างนั้นตลอดพนันาการนั่นคือผู้รู้ที่ฉลาดด้วยพระปริชาสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้มามดกล่าไม่ได้มาเหมือนจับเสืม้มโดยเปล่าได้มาด้วยการตั้งวิทยาสร้างบุญญาบารมีตามที่พรรณนามาก็ทีระยะเวลาที่นานพอสมควรตั้งชั่วโมงกับ14นาทีถ้าใครตั้งใจหมุนปฏิบัติตามที่พูดมานี้ก็พัน อ, อยู่รอบๆข้างกิจของเราได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติ และทําความรู้จักให้กับตัวตนของตัวตนเองรู้จักวิธีปฏิบัติรู้จักแนวทางปฏิบัติหลักสินสมาธิปัญญานี่แหละปัญญาหมุนละเอียดลึกเข้าไปจนรู้จนเห็นแจ่มแจ้งเพื่อสมัชชาได้ล้างได้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปถือเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติมาถึงตอนนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนโอกาสต่อไปจะมีพูดคุยสนทนาอะไรตามโอกาสตามเวลา การจมคูณอเอาแค่นี้ก่อนโอ้ไปไหนก็ไม่รู้ลืมไมค์เกษตอินซีหมดแล้วเอเอ้า อืเด mm ียนคร์อกค่ะรูอทานสมรุญานะคะ้มอบเราะคเพื hmm. oh ่อเป็นารสับูชาเน่พระจารุมีรรมค่ะอุท่านนะคะอสิราะะอค่ะอืมอ่า สามสามสามโมงารางนี้น่าห้อกาค่ะสำหรับท่านใดที่นิสัยชอบพระจันทร์นะคะยินเสียนแล้วนะคเต็มเลยเนาะโอ้เต็มห้องเลยไว้ฮะวาไวที่หางได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขออนุโมทนาก คุณรัติกานะคะเพราะวังพรนนค่ะสาขนมและอาหารว่างค่ะสาธุค่ะที่รานนะคะ ส, คค ส, กก ส, สำหรับสนมปัค่ะคุณคุณยาัทนสำโศสรับช่วงสว่างคุณสมใายปันีนิติศักดิ์สำหีวขออนุโมท น, า, นาทุกข์ขันด้ว ย, ยนะคะเยอออกไปบ<ป>้านู่นเยออกไปบ้างนูดนค่ะสาธุาธุสุทางนี้อืมอ๋ออันนี้เอ อ, อ, เ อ, เ อ, อดี อ่าเอาวางได้อ่าเอาค่อยรับรับออกรับออกรับออกอ่าอ่าต้องใอัวที่อาคารแล้วต้องเงินองจอดบรการอาคารนานยนะคะของสินคาอ่าเออเออเออยากแค่คันเหรออ่าถวายถวายพระถวายพระอ่าอ่าคันไรคัน ตัวมุงตัวอะไรนั่นเหรอนะอืออืมอืออือามารบุญอาบโนะคะทนจอาราคะถวายืว่าา้อยูที่หนาาวาที่กางาได้อ่าอ่ ะอ่ะอืมอืมวันนี้นะคะองัการมครอนการนคะอืมอันนี้อันนี้เลื่อนออกมาดินี่นี่เลื่อนออกมาอถือไป ด, ดเอาไปจะเอาไปเอาไปคนของเราไม่มีเหรอะอ้าอาอาอม เ, เ, เ, เอาไปดินไปเอา้า โอโ brands, strikes, <vit>? ้โตโตโตโตโตโตจะได้บวชละมั้งนี่ฮะฮะสายฟาดไตรเนี่ยฮะมาใครฮะเอออืมอืมไหนหมูไม่อยู่เหรอหมูอ่๋ออ๋อนี่กระบอกน้ำร้อนสลับอะไร คนแก่คนแก่ก็ได้คนนมก็ได้อย่างนั้นเหรอมัไม่หนักแต่ถ้าไม่หนักใส่กระเป๋าน้าร้อนอ้าวหมูไม่ได้เข้ามาหรือหมูเนี่ยอ่าอ่าอ่าอ่อ่าอืออืออือ อืมอืมออันนี้เอาออกเอาออกเนี่ยเอาออกอาอรงทากรงอืมอืมอืม่ออา มาณะ ท, ที่ไหนมาณะอ๋อ ท, ที่ไหนมานะอาจารย์มาณะที่ไหนมาณะร้านโบผินไต ร, ร, รชูเหรออ๋อโบผินไตรชูเหรออ่ารู้จากรู้จักรู้จักอ๋อดีดีดีดีดีอ่า เขาเขาช่วยทุนการศึกษาเราไปจำเลยนะอ่อ่อ่าอ่าอ่าอ่าอ่อ่อ่อ่อ่าอ่าออออออออ อ่ะวางไว้น ốt อ๋อหมูไม่ขึ้นมาไว้โทรๆเรียกหมูมาโทรเรียกหมูม า, รร ม, ม, ามีอะไรอีกทีนี้ ฮะโอ น, นี่ใครสนใจบ้างอันนี้ไปเอาทั้งหมดนี่แหละฮะอันนี้อันนี้ให้หัวหน้าเอาไปแจกอันนี้อันนี้ส่วนมนภาวนาข้ามปีที่วัดมีส่วนมนแล้วก็พูดธรรมไตร่ฝังอันนี้มีส่วนมนแล้วก็พูดธรรมไตร่ฝังแต่อินโดนีเซียที่อินโดนีเซียนี้เดี๋ยวๆให้หัวหน้าเอาไปแจกกันครับ ผู้สนใจผู้อยากไม่พอก็ไปถ่ายเพิ่มก็แล้วกันอ่าเป็นธรรมะอืมอ่ไม่มีใครสงสัยอะไรเลยเข้าใจดีดีเข้าใจเรียบระเอียดหมดเลยนะอฮ่ฮ่ ใช่กองสังขารทั้งนั้นเลยอ่าเกษรอุตสาหก็เป็นกองสังขารแต่กองสังขารบางอย่างมันก็มาขัดแย้งกันพวกเชื้อโรคแต่ละอย่างแต่ละอย่างมก็เป็นกองสังขาร <c oughs> อ่มันก็เป็นเรื่องของของเชือ้อ <c oughs> เชือ้อก็คือตัวสัตว์นั่นแหละเชื้อก็ตัวสัตว์อ่าทุกคนก็เกิดมาตามบุญตามกรรมของตัวเองอ่ะแล้วก็เกิดมาแล้วก็ต้องมีอาหาร มีอากาศเงี้ยก็ทําหากินด้วยด้วยบุญด้วยกรรมของตัวเองคําไม่ได้คิดว่าคํามาแย่งเราอะ่ะเราตั้งหากคิดว่าคํามาแย่งคํามาแย่งเขาม่ามาแย่งเราพวกตัวด่วงพวกพวกตัวแมลงพวกตัวอะไร <laughs> แต่มันก็เป็นวิถีความเป็นอยู่ของสัตว์ที่ฉลาดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกไหนแหละพวกสัตว์ฉลาดนี่อยู่ได้ หอาศัยความฉลาดอยู่ได้สองอาศัยกําลังอยู่ได้ อ, อาศัยกําลังบวกความฉลาดและก็บวกธรรมะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมอยู่ได้ <c oughs> เรามาดูพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสัจจะฉลาดนะก็เป็นแต่เป็นภพไหนชาติไหนที่ท่านเอามาเล่าในในชาดกเป็นผู้นำเขาทั้งนั้นเลยเอาตัวรอดช่วยหมูทั้งนั้นมีแต่ช่วยหมูทั้งนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบารมีมันก็เป็นอยู่มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้บันได้เชื่อโรคเชื้อมาเร็งเชื้อโรคอะไรอะไรสรารพั์ที่มีอยู่ในกายของเราก็คือมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันทําไมเราจะดูให้เห็นเป็นเหตุเห็นเห็ น, หนปัจจัยถ้าเราไม่ศึกษาทําไม่ปฏิบัติทำแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขัดข้อให้กับจิตของเราแต่ถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจแล้วโอ้นี่มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมัน เราฉลาดรัพยายามทำตัวเพื่อที่ไม่ต้องมาเกิดเป็นสังขารที่จะให้เขามาเล่นงานเราทำตามได้เหมือนอย่างพระพุทธเจา้าพระสงฆ์สาวพระอริยสาวกเราพน้นพ้นไปตราบะที่เรายังไม่พน้นเราก็จะต้องนปนเปยกันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยโลกนี้มันเป็นที่สร้างทั้งบุญสร้างทั้งกรรมและเป็นเป็นเป็นภพที่ดีที่สุดจะทำบุญให้ยิ่งที่สุดก็สามารถทำได้ จะทำบาให้ยิ่งจนถึงเอาไอ้กีมาเราก็สามารถทําได้ในโลกมนุษย์ของเราพระพุทธศาสนาท่านไปอุบัติที่ไหนท่านมาอุบัติที่โลกมนุษย์เนี่ยท่านมีสิ่งที่จะทําให้เห็นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางและก็สร้างบารมีได้มากที่สุดพระพุทธศาสนาจึงมักจะมาอุบัตในโลกมนุษย์เราแล้วก็มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเรากเหมือนอย่างที่เราเห็นเทั่วๆไปนั่นแหละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันบางคนก็มีปณิธานในใจ อยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบางเป็นก็ด้วยอุปนิสัยที่อยา ก, ยากช่วยอยากช่วยอยากช่วยไอความนึกคิดที่อยากเป็นพระพุทธเจ้ามันยังไม่โผล่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีด้วยความมีอยู่อย่างนี้ท่านจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านม า, าบัดมากกวา่าเมล็ดชายในแม่น้ำคงคาเพราะโลกนี้มันเนิ่นนามาเท่าไหร่เราเราทราบไม่ได้อันนี้เป็นคําเปรียบเทียบนะมันมีทั้งสัตว์ ที่แบบว่าอยู่ในกองทุกข์มันมีทั้งสัตว์ผู้ทีต่ตั้งใจปรารถนาเพื่อจะพาหมู่ข้ามพ้นจากความทุกข์หากมีอยู่นี้เป็นอยู่นี้เราพูดไปในห้องนี้เราก็อาจจะมีบางคนที่ตั้งความปรารถนาอยู่อย่างนั้นเราดูพฤติกรรมการกระทําของเขาเถอะทำด้วยความชอบธรรมท า, ทาด้วยความช่วยเหลือทำด้วยความเสียสละทําด้วยอะไรอะไรหากสิ่งอันนี้ทําให้เราใหญ่ในความเป็นอยู่ด้วยทําให้เรามีหมู่มีเพื่อ น, ม, อนมีพวกมีพ้องแล้วก็มีวิบา เป็นบุญเป็นผู้สนพรสูงไว้ใจเพราะได้ยินไ ด, ได้ฟังเราจะทําพฤติกรรมยังไงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อบุญเพื่อส่วนเพื่อบุญญาบารมีไว้เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำเอาต่อไปให้พรนะใกล้ชนะแล้วใกล้ได้เดินกลับบ้านแล้วใกล้ชิดตางเมย์ใกล้ชิดตางเมย์ใกล้ได้เดินกลับบ้านแล้ ว, ล เ, ล เ, ลบบลวเขาอยากชนะแล้วมาวันนี้ชนะชนะแล้วอ่า เสร็จแล้วจำได้บ้างอะไรบ้างก็ไปถือตามไปพูดตามปฏิบัติตามนะอ่าอย่าทาวารวะหาปูราริปูเรนติสาครังเอวะเมวัยโตชินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชาตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโพนระโสยะทามนิโชทีระโสยทา สพิติโยวิวัชันตุสพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิศนิจังวุฒาปิจายโนจัตตาโรธทมาวทันติอายุวโนสุขังภะาลางังปวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสถีภวันตุเตปวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุพาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตภวตุสัพะพมังฆลังราขันตุสัพเทวตาสัพสังคาราเวนะสทาโสถีพระวันตุเตท่านทั้งหลายตั้งความปรารถนาไว้ด้วยกายกรรมด้วยวิจีกรรมด้วยมโนกรรมที่เราประกอบกรรมลงไปสิ่งไหนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ สิ่งเหล่นั้นแหละเพื่อเอาเมื่ความสุขความเจริญให้กับเราสิ่งไหนที่เป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษคอยละคอยงดขอย เ, อเวน้นเราจะห่างไกลาจากความทุกข์ความยากความลําบากเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญ